ณหมู่บ้านเล็กๆในเขตเมืองมะละแม่งเมืองมะละแม่งบางแห่งก็บอกว่าเป็นเมืองมอนนะคะมีพ่อค้าหนุ่มคนนึงชื่อว่าหม่องวินเป็นผู้สืบทอดอาชีพพ่อค้ามาจากพ่อหม่องวินนี่มีภรรยาสาวสวยที่ชายอื่นในหมู่บ้านนี้ยังแอบอิดช้าเธอมีชื่อว่ามะขินค่ะมารดาของหม่องวินอาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านซึ่งนางเองก็เป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดีถ้าเทียบกันกับเพื่อนบ้าน งานของหม่องวินก็คือเป็นพ่อค้าต้องเดินทางกันไปเป็นคาราวานไปในต่างเมืองอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเมื่อขินเองเนี่ก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีนะคะตอนที่สามีไม่อยู่แต่ถึงอย่างไรค่ะสภาพครอบครัวแบบนี้ก็จัดว่ามีความสุขไม่น้อยแต่อยู่มาวันนึงทุกสิ่งก็แปรไปสิน้นมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อหม่องวินต้องเดินทางไปต่างเมืองเป็นระยะเวลานาน ทางบ้านก็เกิดโรคระบาดขึ้นมาขินก็ล้มเจ็บลงไปกับเขาด้วยทางบ้านแม่สามีก็ไม่ได้มาดูแลค่ะนี่ถ้าหม่องวินไม่ได้ไปต่างบ้านต่างเมืองก็คงจะต้องอยู่ดูแลมาขินไปแล้วแต่ในเมื่อไม่อยู่มาขินก็ล้มเจ็บลงไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดโดยที่หม่องวินที่อยู่ต่างเมืองไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยว่าที่หมู่บ้านเกิดโรคระบาดขึ้นและก็ภรรยาของตัวเองเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วทีนี้เมื่อมาขินเสียชีวิต เพื่อนบ้านญาติสนิทรวมทั้งแม่สามีก็ต่างพากันเศร้าโศกสงสารมะขินเป็นอย่างมากพอมะขินตายไปทั้งหมู่บ้านของมะขินแล้วก็หมู่บ้านของแม่สามีต่างก็เจอเรื่องราวของความเฮี้ยนของผีนางมะขินกันเป็นแถบเลยนะคะรายแรกเลยค่ะก็คือเพื่อนของมะขินเองเมื่อเธอกำลังนั่งพับผ้าอยู่ในบ้านคนเดียวกลางดึก บ้านนี้ก็จะเป็นกระท่อมมุงฟางไฟฟ้ายังไม่มีเนยะคะในสมัยก่อนมีแค่เทียนเล่มเดียวให้แสงสลัวผู้หญิงคนนั้นนั่งพับผ้าไปใจก็ผวงไปว่าเมื่อขินกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนี่ไม่แน่นะว่าดึกๆเนี่ยเขาอาจจะมาหาเราก็ได้ดังนั้นก็เลยรีบพับผ้าให้เสร็จแล้วก็รีบเข้านอนดีกว่าที่ไหนได้คุณผู้ฟังพับผ้ากําลังจะเสร็จก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างๆฝาบ้านตัวเองนี่แหละเสียงมันมาจากข้างนอกค่ะ แค่เป็นฝาบ้านเป็นฟางก็ได้ยินเสียงชัดแจ๋วแล้วเสียงนั้นเย็นมากเลยพูดว่าเพื่อนเอ้ยเปิดประตูให้เราเข้าไปหน่อยสิผู้หญิงคนนั้นรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจอกับอะไรแต่ก็พยายามหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็เลยถามกลับไปบอกว่านั้นใครละ่ะเสียงนั้นตอบกลับมาบอกว่าเรามะขินไง พอเจอเข้าไปแบบนี้ใครเราจะทนไหวผู้หญิงคนนั้นรีบตะโกนตอบกลับไปบอกเรากลัวแล้วอย่ามาหลอกมาร้อนเราเลยแล้วก็รีบคลุมโปงเป็นการใหญ่พอรุ่งเช้าก็ย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยนะคะรายอื่นก็เช่นกันค่ะเดินผ่านหน้าบ้านมะขินก็เจอมะขินนั่งอยู่บนบ้านเพื่อนข้างบ้านที่เปิดหน้าต่างออกมาตอนกลางคืนเพราะว่าร้อนไงก็เจอเข้ากับมะขินเต็มๆยืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของมะขินแล้วก็สียยิ้มให้ เรียกว่าทั้งคนทั้งหมู่บ้านมะขินแล้วก็หมู่บ้านสามีเนี่ยเจอหลอกกันทั่วหน้าจนไม่มีใครทนได้ก็พากันย้ายออกไปจนหมดเลยนะคะหมู่บ้านของมะขินขณะนั้นเนี่ยร้างไปเลย ส่วนหมู่บ้านของหม่องวินก็เหลือเพียงครอบครัวของแม่หม่องวินเท่านั้นที่ยังอดทนกับการหลอกหลอนต่างๆนานาของผีมะขินต่อไปเพราะต้องรอการกลับมาของลูกชายที่ขณะนี้กําลังขายอยู่ต่างเมืองต่างบ้านแล้วก็ยังไม่ได้รู้ข่าวว่าเมียตัวเองตายกลายเป็นผีเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านไปแล้วเมื่อได้ข่าวว่าขบวนคาราวานของลูกชายจะกลับมาและตามเส้นทางนั้นก็ต้องแวะหมู่บ้านของมะขินก่อนที่จะมายังหมู่บ้านของตน ทางบ้านแม่สามีเนี่ยก็ตกลงกันค่ะว่าจะไปดักรออยู่ที่ต้นทางเพื่อไม่ให้หม่องวินได้พบเจอกับมะขินและจะได้ย้ายไปเมืองหลวงด้วยกันทั้งครอบครัวและจะไม่กลับมาแถบนี้อีกแต่ว่าปรากฏค่ะว่าผีมะขินเองก็ดูเหมือนจะรู้แผนการของแม่ผัวแล้วล่ะค่ะก็เลยไปดักรอเหมือนกันเมื่อขบวนคาราวานผ่านมาขบวนคาราวานทั้งหมดที่รวมถึงหม่องวินด้วยก็เห็นนางมะขินแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีนะ มองวินเห็นเมียรักออกจากหมู่บ้านมารับไกลถึงที่นี่ก็ดีใจค่ะเมื่อมาขิ่นเนี่ยชวนกลับบ้านมองวินก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังรีบตามภรรยากลับไปบ้านทันทีเมื่อขบวนคาราวานเดินทางต่อมาถึงจุดที่พวกแม่มองวินดักรออยู่แม่มองวินก็ตกใจมากที่ขบวนคาราวานเนี่ยไม่มีลูกชายของตนเองก็เลยถามนายกองคาราวานว่ามองวินเนี่ยไปไหนซะแล้ว ก็ได้รับคําตอบที่ตนไม่อยากฟังที่สุดคือนางมะขินคว้าตัวกลับเรือนไปแล้วเมื่อตะกี้นี่เองแม่หม่องวินก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ในายกองฟังและขอให้ในายกองเนี่ยไปตามตัวลูกชายกลับมาให้ทีนายกองก็รีบวิ่งแจ้นไปยังเรือนของมะขินค่ะเมื่อไปถึงนะคะก็พบหม่องวินกําลังนั่งคุยกับมะขินอยู่นายกองก็เลยรีบตะโกนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นบ้านเลยบอกนายนายแม่นายบอกให้นายไปหาโดยด่วนแน่ หม่องวินที่ยังไม่รู้ว่ามะขินเป็นผีก็บอกว่ากำลังอยู่กับหญิงคนรักอยู่ไปบอกแม่ด้วยนะว่าเดี๋ยวไปในกองก็เลยซุบซิบกับหม่องวินบอกฟังก่อนนะนายนางมะขินมันเป็นผีหม่องวินได้ฟังดังนั้นก็ตะหวาดตนออกไปค่ะว่าในกองนี่บ้าหรือเปล่าแล้วก็ไล่ในกองไปแต่โดยดีคืนนั้นเองค่ะหม่องวินก็กินข้าวกับเมียรักโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผีตอนกาลังกินแรกๆนี่ก็ไม่มีอะไรหรอก แต่ว่าพอเอื้อมมือไปจับมือเมียก็พบว่าเอ๊ะทำไมมือเมียเย็นเฉียบจังแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากทีนี้พอกินกันไปสักพักหนึ่งมองวินก็ได้กลิ่นสับสบับลอยมาจากตัวเมียก็เลยกําลังจะถามว่ากลิ่นอะไรเทียนที่จุดอยู่ก็ดับพรึบลงพอจุดไฟขึ้นมาอีกรอบค่ะมองวินถึงกับพผงาดเพราะสภาพของเมียที่ดูแปลกแปลกไปจากที่เคยสวยใสทําไมตอนนี้ตากลับโปนโตกว่าจะถลนออกมานอกเบ้า แก้มอวบเหมือนคนอ้วนปากก็เผย อ, ออกมาจนเห็นฟันน้ำลายไหลติ๋งติ ง, ตงลงมาเผยผิวหน้าผิวกายดำเหมือนศพกำลังเน่าเลยนะคะแต่ว่าหม่องวินก็ยังไม่ได้เพ่นแล้วก็ถามเมียบอกทำไมเองดูแปลกไปมาขินก็ถามกลับมาบอกแปลกตรงไหนแต่ยังไม่ทันที่หม่องวินจะพูดอะไรต่อค่ะก็ทําช้อนตกลงไปใด้ถุนบ้านก็เลยจะลงไปเก็บแต่มขินพูดว่าพี่วินไม่ต้องไปเก็บหรอกเดี๋ยวมาขินเก็บให้ แล้วก็ปล่อยลิ้นนี่ยาวๆผิดมนุษย์นะคะจากบนเรือนลงไปตวัดช้อนขึ้นมาให้สามีเท่านั้นละค่ะมองวินเลยตะโกนบอกอ๋อีมะขินมันเป็นผีอย่างที่เขาว่าจริงๆนี่พูดจบมองวินก็กระโดดลงจากกระเรือนเร่งฝีเท้าเต็มที่ค่ะเพื่อจะให้ไปถึงบ้านของแม่ซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยมีเสียงมะขินตะโกนไล่หลังมาอย่างเยือกเย็นบอกพี่วินจะไปไหนรอมะขินด้วย เท่านั้นไม่พอค่ะคุณผู้ฟังยังหายตัวมาดักหน้าสามีอยู่เป็นระยะจนต้องโดดหลบซ้ายหลบขวาหลายต่อหลายรอบเมื่อวิ่งมาถึงหน้าบ้านแม่ก็เลยรีบตะโกนเรียกแม่ให้ออกมาเปิดประตูให้แม่มองวินได้ยินเสียงลูกชายเรียกแต่ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงมาขินด้วยกูจะตายกับผัวกูตรงนี้ใครจะออกมาช่วยก็ลองดูบ้านมองวินมีคนอยู่เกือบสิบคนแต่ไม่มีใครกล้าออกมาช่วยเลยค่ะ แม่หม่องวินได้ยินเสียงลูกเรียกอีกหลายครั้งจนเงียบไปพอรุ่งเช้าออกมาดูนะคะก็พบว่าหม่องวินเนี่ยเสียชีวิตเป็นศพนอนแข็งทื่อแล้วทางบ้านหม่องวินก็เลยพากันเศร้าโศกเสียใจแล้วก็รีบย้ายไปอยู่ซะในเมืองหลวงเลยโดยไม่กลับมาพื้นที่แถบนั้นอีกเลยหมู่บ้านของหม่องวินแล้วก็มะขินก็เลยถูกทิ้งร้างอยู่อย่างนั้นวันดีคืนดีนะ มีคนผ่านไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังออกมาจากหมู่บ้านบอกพี่วินออกมาเถอะมาขิ่นไม่ทำร้ายพี่หรอกและได้ยินเสียงผู้ชายตอบมาบอกไปให้พ้นค้าเกลียดเองเรื่องนี้ยังมีการเล่าปากต่อปากอยู่ในประเทศพาม่านะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากแล้วแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็ยังคงเกรงกลัวผีนางมาขิ่นกันอยู่ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันใครที่มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศพม่าค่ะลองสืบสาวเล่เรื่องเรื่องนี้ดูว่าจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่มีการเล่าเป็นนิทานที่อยู่ในฝั่งพม่าไหมซึ่งบีเองฟังไปอ่านไปนี่มีความรู้สึกเหมือนนางนาพระโขนงที่ประเทศไทยเราเลยนะ ต่างกันแค่ว่าเอาลิ้นตะวัดช้อนแต่ว่าไม่นาคเนี่ยเอามือไปหยิบมะนาวใต้ถุนบ้านอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าในพื้นที่ของใครของมันนะคะความเชื่อส่วนบุคคลฟังไว้เพื่อความบันเทิงจะดีกว่าค่ะ